เอาน่ายอย่าซีเรียสเรื่องเด็กชายกับต้นแอปเปิลเด็กชายคนหนึ่งวิ่งเล่นรอบรอบต้นแอปเปิลอย่างสนุกสนานทุกวัน ทั้งสองสนิทสนมกันมากหมายถึงเด็กกับต้นแอปเปิลเวลาเด็กเงาก็ปีนขึ้นต้นแอปเปิลเล่นเวลาหิวก็เก็บผลแอปเปิลกินพอง่วงนอนก็นอนที่รากต้นแอปเปิลต้นแอปเปิลรักและเป็นห่วงเด็กคนนี้เหลือเกินแล้ววันหนึ่งเด็กผู้นี้ก็ต้องจากไป ต้นแอปเปิ้ลร้องไห้คิดถึงเด็กเมื่อไรเนาะจะได้พบกันอีกวันเวลาผ่านไปเนิ่นนานเงียบเหงาอยู่มาวันหนึ่งเด็กคนเดิมก็โผล่หน้ามาแต่ตอนนี้เขาโตมากแล้วต้นแอปเปิ้ลดีใจตื่นเต้นมีความสุขตอนนี้ เธอจะกลับมาอยู่กับเราแล้วใช่ไหมกลับมาเล่นกับเราเหมือนเดิมใช่ไหมไม่หรอกตอนนี้อฉันโตแล้วฉันไม่อยากเล่นกับต้นไม้แล้วแต่ฉันอยากเล่นคอมพิวเตอร์โอ้ตายจริงฉันไม่มีคอมพิวเตอร์ให้เธอเล่นหรอกแต่ถ้าเธออยากได้จริงๆฉันจะช่วยเธอเก็บผลแอปเปิลบนต้นฉันไปขายสิและเอาเงินไปซื้อคอมพิวเตอร์ เด็กดีใจมากรีบปีนขึ้นต้นแอปเปิลเก็บลูกแอปเปิลทุกลูกที่มีบนต้นไปขายในตลาดด้วยความดีใจต้นแอปเปิลเห็นเด็กมีความสุขก็ยิ้มปลอยดีใจเด็กได้คอมพิวเตอร์แล้วก็หายหน้าไปต้นแอปเปิลแอบร้องไห้คิดถึงเด็ก หลายปีต่อมาเด็กกลับมาอีกครั้งคราวนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่กลับมาพร้อมกับครอบครัวต้นไม้เห็นเข้าวก็ดีใจแสดงความยินดีที่เด็กมีครอบครัวมีความสุขเธอจะพาครอบครัวมาอยู่กับเราใช่นไหมไม่ใช่หรอกจ้ะอ้าวทำไมล่ะ เรามีครอบครัวแล้วแต่ไม่มีบ้านอยู่อยากได้บ้านสักหลังหนึ่งอยู่ในเมืองเราไม่มีบ้านให้เธอหรอกแต่ฉันรักเธอถ้าเธออยากได้บ้านจริงๆเธอก็ตัดกิ่งของเราไปสิเอาไปปลูกบ้านเด็ดดีใจรับตัดกิ่งไม้หมดทั้งต้นและเอาไปปลูกบ้านอยู่ในเมืองอย่างมีความสุข ต้นไม้เห็นคนที่ตัวเองรักมีความสุขก็ยิ้มทั้งน้ำตาพลอยมีความสุขกับครอบครัวเขาไปด้วยเด็กกลับมาอีกทีเมื่ออายุมากขึ้นเข้าสู่วัยกลางคนต้นไม้ดีใจยิ้มรับอย่างมีความสุขตอนนี้เธอจะมาอยู่กับเราแล้วใช่ไหมเบื่อครอบครัวแล้วใช่ไหม เราเบื่อครอบครัวแล้วจริงๆแต่เราไม่อยู่กับท่านหรอกตอนนี้เราเหนื่อยเราเครียดเราทุกเราอยากได้เรือสักลำหนึ่งเพื่อออกไปท่องเที่ยวในทะเลให้สบายใจสักหน่อยเราไม่มีเรือให้เธอหรอกแต่ถ้าเธออยากได้จริงๆก็ตัดต้นของเราไปสิ 4, เอาไปขุดเป็นเรือ ใา้คนนั้นได้ฟังก็ดีใจรีบตัดต้นไม้แล้วขุดเป็นเรือออกเที่ยวทะเลอย่างมีความสุขปล่อยทิ้งตอไม้ให้ร้องไห้เสียใจอย่างเดียวดายเวลาผ่านไปนานหลายปีเด็กคนนั้นก็แก่มากแล้วเดินกลับมาที่ต้นไม้ต้นเดิมต้นไม้พอเห็นคนแก่ก็ร้องไห้จนน้ำตานองหน้า เธอมาหาฉันตอนนี้ฉันไม่มีอะไรให้เธออีกแล้วไม่มีลูกแอปเปิ้ลให้เธอกินไม่มีกิ่งให้เธอไต่เล่นไม่มีร่มเงาให้เธอพักนอนไม่มีต้นให้เธอทำเรือเราเหลือเฉพาะรากที่กำลังรอวันเน่าสลายเท่านั้นเองคอนแก่บอกว่าท่านไม่ต้องห่วง เราไม่มีฟันจะกินไม่มีแรงจะปีนป่ายไม่มีปัญญาจะขุดเรือเราต้องการเพียงรากผุผุใช้หนุนหัวนอนก่อนตายเท่านี้ก็พอแล้วซรากต้นไม้ยิ้มทั้งน้ำตาดีใจในที่สุดเด็กคนนี้ก็มาอยู่กับเขาในบ้านปลายของชีวิต เมื่อไม่มีที่จะไปแล้วถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ต้นไม้ก็มีความสุข